50 languages. C. Nalco. ที่โรงเรียนชาเลย์ลเราอยู่ที่ไหนนาวูยลีเดเวเราอยู่ที่โรงเรียน นาวูชัเลยลลีอิดเดเว์เรากำลังเรียนหนังสือน้ำเกตระดัตอิดเเดป่าตกลวนั่นคือนักเรียนอวอรูวิทยาธิการูนั่นคือคุณครูอวอรูอัจจปกดูนั่นคือชั้นเรียน อวุตระกติเรากลังทาอะไรอยู่นาวูเยนุมาดติดเดวเรากาลังเรียนหนังสือนาวูกลิยุติเดเวเรากำลังเรียนภาษานววุนูภยุกิยเดว ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ น, น้าห English คุณเรียนภาษาสเปนนีหนู Spanish เขาเรียนภาษาเยอรมันเ German เราเรียนภาษาฝรั่งเศส น, น้า French พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนนี่วูอิตาลียนคลิยุติีรีพวกเขาเรียนภาษารัสเซียอวรุกลล่ะรัสเซียนค่ลิยุตตาเรการเรียนภาษานั้นน่าสนใจภาษาเกลนันนคละลูวดูสวาสยคเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ นาว ಜ ನ ันนามาดีโคลลูอิสดุกเเราอยากจะพูดกับคนอื่นอื่นน่าตานา ಡ ัลูอิสต้าดุกเ